พระสมมาสัพพุทธเจ้าได้ชื่อว่าอนุตตรโรไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าคือยอดเยี่ยมตั้งแต่ได้ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณดังที่ได้ตัดแสดงไว้ในปฐมเทศนาซึ่งมีความว่าเมื่อใดญาณคือความอย่างรู้ บนรอบสามมีอาการสิบสองในอริียสัตว์ทั้งสี่บริสุทธิ์บริบูรณ์แก่พระองค์เมื่อ น, นั้นพระองค์เกงทรงปฏิญญาว่า ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณคือความตรสัสรู้โดยชอบเป็นอนุตตระไม่มี ความสัตรู้อื่นยิ่งไปกว่าคือยอดเยี่ยมดังนี้เพราะฉะนั้นจึงมักเรียกกันว่าอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณ าคือความตรัสรู้ที่เป็นอนุตตระยอดเยี่ยมดังกล่าวและกล่าวว่าตรัสรู้พระอนุตตระสัมมาสัมโพธิยานดังนี้จะต้องเป็นอนุตตระคือไม่มียานอื่นยิ่งขึ้นไปกว่า ยังจะเป็นความตััสรู้จบเป็นความตััสรู้สูงสุดถ้ายังไม่เป็นอนุตตระความตััสรู้นั้นก็ยังจะต้องมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคือยังไม่ถึงที่สุด ดังจะพึงเห็นไดท้ที่แสดงไว้ถึงความตรัสรู้ของพระองค์ในราตรีที่ตรัสรู้นั้นในปฐมยามแห่งราตรีทรงได้อบเพนิวาสานุสติญาณ ยาณคือความระลึกโร้ขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้คือระลึกชาติได้แม้พระยานนี้ก็ยังไม่เป็นอนุตตระ เพราะยังจะต้องตรัสรู้ต่อยิ่งกันไปอีกในมัชฌิมยามแห่งราตรีทรงได้จุตูปปาฏยานคือความรู้ในจุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือเข้าถึง ธา น, นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเป็นไปตามกรรมแม้ความ ร, รัตสรู้นี้ก็ยังไม่เป็นอนุตระเพราะยังจะต้องรัตสรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในมัด ในปัจฉิมยามแห่งราตรีทรงได้อาสวะคยญ า, านความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายคือในตรัสรู้ในอริยสัจสีวนรอบสามมีอาการสิบสองดังที่ตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนา เป็นอันว่าทรงได้ความรัสสรู้ที่เป็นอนุตระไม่มีความรัตสรู้อื่นจะ ย, ยิ่งขึ้นไปกว่าเป็นยอดเยี่ยมเป็นที่สุดคือเป็นอันว่ารู้จบเพราะฉะนั้น จึงทรงได้พระนามว่าอนุตตรโรไม่มีผู้่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าในความสัตรู้เพราะไม่มีความรู้อื่นใดทั้งสิ้นจะยิ่งไปความ ของพระพุทธเจ้าอันเป็นเหตุทมอาสะวะกิเลส ท, ทั้งหลายให้สิ้นไปเป็นความรู้จบเศรษกิจที่จะพึงทาเพื่อที่จ ะ, สะแสวงหาความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปอีก และเพราะเหตุนี้จึงทรงได้พระนามว่าอนุตตรโรในความตัสรุและเมื่อได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลกเพราะเหตุที่ได้ทรงบำเพ็ญอัตถจริยาคือความประพฤติประโยชน์แก่โลกก็ดีแก่พระญาติก็ดี และโดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้ากอดีเป็นอย่างยอดเยี่ยมไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่า ย้อนกลับมาอีกว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งปวงเป็นต้นว่าศีล ส, สมาธิปัญญาวิบัติคือความหลุดพ้น วิมุตติญาณทัศนะความรู้ความเห็นในความหลุดพ้นเป็นอย่างยอดเยี่ยมคือสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีที่จะยิ่งขึ้นไปกว่าอีกก็คือศีลก็บริบูรณ์สมาธิปัญญาวิมุต มุตติญาณทัศน์ก็บริบูรณ์ทั้งหมดหรือจะแสดงยกอาโพธิปักกิยธรรมมาเป็นที่ตั้งก็ทรงประกอบด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่อิทธิบาททั้งสี่สัมปทานะทั้งสี่ อินสีห้าพระหา้าโพชงเจ็ดและมักมีองค์แปดอย่างยอดเยี่ยมอันหมายความว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกข้อทุกบทไม่มีที่จะต้องทรมปฏิบัติ แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในพระองค์แล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงงทรงเป็นอนุตตรโรในด้าน ที่ทรงประกอบด้วยธรรมะทั้งหลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมดและเมื่อจะกล่าวโดยพระคุณดังที่แสดงมาเฉพาะบทเฉพาะบทก็ดี หรือว่ารวมเขาเป็นพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณพระคุณทั้งสามที่สรุปเข้ามานี้ก็มีบริสุทธิ์บริบูรณ์ในพระองค์ปัญญาก็เป็นอนุตตระคือไม่มี ปัญญาความรู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าความบริสุทธิ์ก็เป็นอนุตตระคือไม่มีความบริสุทธิ์อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าพระกรุณาก็เป็นอนุตตระคือไม่มีพระกรุณาอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าเพราะว่าได้ทรงมีพระปัญญาคือความตรัสรู้ ที่สุดแล้วความบริสุทธิ์ก็ถึงที่สุดแล้วพระกรุณาก็ถึงที่สุดแล้วไม่มีที่จะต้องพ้นควายยิ่งกันไปกว่าเพราะฉะนั้นจึงทรงได้พระนามอนุตตโรคือเป็นภูที่ไม่มี ผู้อื่นยิ่งไปกว่าโดยพระคุณไม่มีพระคุณอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าซึ่งจะต้องทรงปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติมยิ่งยิ่งขึ้นไปแม่จะยกขึ้นกล่าวจำเพาะข้อที่ครู จะดำมาสารธิผู้ฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึก <S <S ก็ทรงฝึกได้เป็นอนุตตระคือไม่มีผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ฝึกจะฝึกได้ยิ่งไปกว่าพระองค์ เมื่อกล่าวโดยสรุปก็พระพระองค์ทรงสุดได้ให้บรรลุถึงประโยชน์ทั้งสามคือทิฏฐธรรมิกัถะประโยชน์ปัจจุบันสัมปรายิกาถะประโยชน์ภายหน้าและประมัตถประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพาน จึงไม่มีผู้ใดที่จะฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้เหมือนอย่างพระองค์เพราะไม่สามารถจะฝึกให้บรรลุถึงประโยชน์ได้ครบทั้งสามได้ฝึกได้ให้บรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้างกันเท่านั้น แต่ที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลที่ผ่านนั้นหาได้ไหมพระองค์ทรงฝุดได้และทรงฝึกได้เป็นพิเศษยิ่งไปกว่าพระสาวกทั้งหลายแม้ว่าพระสาวก เป็นพระอระหันต์ประกอบด้วยวิชาสามท่าปิญญา6กก็ตามแต่ก็ไม่ได้สามารถจะฝึกคนที่ควรฝึกได้เหมือนพระองค์เท่าเทียมพระองค์แม้จะทรงส่งเสริมท่านพระสารีบุตร ซึ่งทรงยกย่องเป็นพระอักาษาบอกบือขวาผู้เลิศด้วยปัญญาอาจจะแสดงธรรมจักได้เช่นที่พระองค์ได้ทรงแสดงแต่ท่านระษาดิบุตรก็แสดงได้โดยแสดงตามพระองค์ สามารถที่จะอธิบายขยายความได้อย่างกว้างขวางเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม้ท่านพระสาริบุตรเองก็ยังได้กล่าวแสดงไว้ดังที่ปรากฏในบางพระสูตรว่ามิได้ทรงท่านมิได้รู้ถึงยังถึง ประสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจา้าเมื่อท่านแสดงสันเสริมพระพุทธคุณของพระพุทธเจา้าท่านก็แสดงไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมาแล้วเช่แสดงตามหลักปฏิจสมุปบาท ธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าในทรงแสดงแล้วขยายให้พิสดารออกไปและก็แสดงได้ตามหลักของโพธิปักิยธรรมเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าในตรัสแสดงแล้วและท่านก็อย่างไปตาม ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงแล้วนั้นพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ตรัสรู้แล้วได้ทรงรู้ทรงเห็นทั้งหมดแล้วแต่ไม่สามารถที่จะรู้ยิ่งกันไปกว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงได้ชื่อว่าเป็นอนุตตรโร มีผู้อื่นจะยิ่งกันไปกว่าแม้ในด้านเป็นผู้ฝึกบุรุษบุคคลที่คนฝึกจึงมาถึงข้อปุริสดัมมาสาทิทรงฝึกเหมือนอย่างเป็นสารทีฝึกมา้า องฝึกบุรุษมุคคลที่ควรฝึกซึ่งตามสัพน์นั้นค่ายว่าปุริสธรรมะแปลว่าบุรุษที่ควรฝึกแต่คำนี้ก็หมายถึงสตรีด้วยเป็นแต่เพียงยกบุรุษขึ้นมาเป็นประธาน เพราะว่าเป็นคำที่เนื่องมาจากคำามสาถิ่คำภาสาริีนนี้หมายถึง ขับรถขับมา้าขับรถขับเกวียนด้วยเพราะภูที่ขับรถเทียมมา้าก็จะต้องบังคับม้าได้และผููที่จะบังคับม้าได้นั้นก็จะต้องเป็นภูที่ฝึกม้าได้ จะรู้วิธีที่จะบังคับม้าได้ฉะนั้นเมื่อมาใช้คำนี้ถึงท่านครูมีหน้าที่ฝึกคนจึงคายคำปุริษะคือบุรุษเพราะว่าข้างมาโคที่ฝึกนั่น ใหญ่ก็ใช้โคผู้ช้างก็ใช้ใช้ใ ช, ช้ช้างพลายคือช้างผู้ม้าก็ไม่ใช้ม้าผู้เพราะว่าต้องการที่จะฝึกเพื่อใช้เป็นภาหนะในการออกสงครามบ้างในการที่จะ ใช้แรงงานเช่นเทียมรถหรืองานอื่นๆบ้างตามต้องการจึงมักจะใช้ฝึกช้างผู้มาผู้โคผู้เมื่อมาใช้คำภาษาถี่ ุคจึงใช้คำมปริสัตมะบุรุษที่ควรฝึกเพื่อให้เข้าเรื่องกันกันกบสารถีที่ฝึกช้างฝึกม้าดังกล่าวนั้นแต่ก็มีความหมายคลุมถึงทั้งบุรุษทั้งสตรีซึ่งเป็นมนุษย์ ไปถึงสัตว์เดริชาที่พึงฝึกได้ด้วยสำหรับที่พระพุทธเจ้าทรงฝึกมนุษย์ทั้งบุรุษตรีนั้นก็เป็นที่ประจักษ์แต่ที่ทรงฝึกถึงสัตว์เดริชา น, นั้นก็ดังเช่นที่ได้ทรงแผ่พระเมตตา ทำให้ช้างนาราคิรีซึ่งดุร้ายเชื่องและไม่แสดงอาการโหดร้ายสงบความโหดร้ายกลายเป็นช้างที่สงบได้เป็นต้นพระพุท ธ, ธเจ้าได้ทรงเป็นภูฟึกบุรุษ คือบุคคลที่ควรฝึกจึงหมายความว่ายังมีบุคคลที่ไม่ควรฝึกหรือที่ฝึกไม่ได้อีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นคำนี้จึงมีความหมายถึงว่าบุคคลในโลกนี้มีอยู่สองจาพวก จำพวกหนึ่งเป็นปุริสาดมะคือบุคคลที่ฝึกได้อีกจำพวกหนึ่งเป็นปุริสาอะดัมมะที่เรียกสนธิกันว่าปุริสาธรรมะปุริสาดัมมะบุรุษบุคคลที่ฝึกไม่ได้ หรือไม่ควรฝึกหลวงพุทธเจ้าจึงทรงฝึกได้เฉพาะที่เป็นปุริสธรรมะคือเป็นบุคคลที่ควรฝึกเท่านั้นส่วนบุคคลที่ไม่ควรฝึกนั้นก็เป็นอันว่าไม่ทรงฝึกดังจะเป็นเห็นได้ พุทธประวัติว่าบุคคลผู้ที่มีปัญญาที่ทึบเกินไปก็ดีบุคคลที่ได้ประกอบกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมเช่น ว, ว่า มันดาคาบิดาเป็นต้นก็ดีซึ่งเป็นตำหนักบุคคลที่มีทิธฐิมาณแรงกล้าเห็นมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดตีดดิ่งลงที่เรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดที่เด็กหลงแก้ไม่ได้ที่มีมานะถือตัวอย่างแรงดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นผู้ที่ไม่ทรงฝึกเพราะแม้จะทรงฝึกก็ไม่สำเร็จสำหรับบุคคลที่ ได้มีความโงเขลาอย่างมากก็ดีบุคคลที่เริประกอบกรรมหนักไว้มากก็ดีก็เป็นอันว่า จะได้ฟังธรรมะของพระองค์ธรรมะก็ไม่เข้าถึงจะ ก, กระสรุธรรมะในดวงตาเห็นธรรมในธรรมะนั้นไม่ได้ดังเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรู ได้ทปิตุขตพระเจ้าพิมพิสารผู้พระราชบิดายอ่อมไม่อาจที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ในได้ความสำนึกในบาป ท, ที่ได้กระทำและได้กราบทูลสารภาพบาป ท, ที่ได้ทรงกระทำแก่พระพุท ธ, ธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้าก็ทรงรับทัาก็ทำให้พระเจ้าอญชาติตูนั้นสบายพระทยัยและก็ถึงพระองค์เป็นสารณะได้ แต่ไม่อาจจะได้ทรมาจากสูดดวงตาเห็นทมได้ว่าเป็นภูที่มีกำรหรนักกันเอาไว้สำหรับภูที่มีทิฏฐิมานะถ้าหากว่าทิฏฐิมานะนั้นไม่ให้เป็นนิยตะคือดิ่งลงไปอาจยากแก้ไขได้ เมื่อละคิธิมาละ น, นั้นได้ก็จะเป็นภูที่ฝึกได้สำหรับภูที่ฝึกไม่ได้นั้นยกตัวอย่างก็เช่นท่านอาจารย์สนชัยของท่านประสาริบุตรประโมคขัลานะเมื่อท่านยังเป็นปริภาชก ก็ได้เข้าสำนักเป็น1ิของท่านอาจารย์สนชัย